เมื่อยังอาสวะอยู่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แม้จะได้ศีลได้สมาธิหรือได้ปัญญาอย่างสามัี่็ยังตัดกิเลสไม่ได้ครอบงำบรรดากิเลสอย่างละอย่างอย่างกลางอย่างอยางหยาบไว้ได้แต่ว่ายังละที่เป็นอาสวะไม่ได้ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์จะต้องละกิเลสที่เป็นอาสวะได้ ที่เรียกว่าขีณาสะวะภูมีอาสะวะคือกิเลสที่ดองกิจสันดานในสิ้นแล้วจึงจะเป็นพระอระหรันต์ภูสศทิกิตในพุทธศาสนาท่านระสาริบุตรท่านได้แสดงข้ออาสะวะนี้เพิ่มจากปฏิจจสมุปบาท ในปฏิจสมบัตินั้นที่สุดแค่อวิชชาและท่านภาษาริบทก็ยังในแสดงต่อไปว่าเหตุที่ให้เกิดอวิชชาก็คืออาสวะเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดแต่ต่อจากนี้ท่านก็ต้องแสดงกลับไปอีก ว่าอาสะวะเกิดก็เพราะเอาวิชาคือเพราะเอาวิชาเกิดอาสะวะจึงเกิดก็วนกลับมาหาวิชาอีกนั่นเองการที่ท่านแสดงอาสะวะเพิ่มกันอีกข้อหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการแสดงที่เกินเลยอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไป เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นซึ่งมีแสดงว่าทรงได้ญาณที่ระลึกถึงชาติในขนหลังได้ในปฐมยายาของราตรีที่ตรัสรู้ทรงได้ญาณคือความอย่างรู้ ในจุติความเคลื่อนอุปบัติความเข้าถึงพบชตินั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในมัชิมัยยามทรงได้อาสวรคยายานความอย่างรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายในป จ, จิมยามของราตรีเมื่อทรงได้อสศขยายาน ยึงในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและอาสวัคายานนั่นก็คือความอย่างรู้ในอริ ย, ยสัจสงสายที่ตรัสแสดงเอาไว้เองสายที่หนึ่งก็คือยานอย่างรู้ในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุก ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นอริยสัจสายที่หนึ่งอริยสัจสายที่สองก็คื อ, ย า, คา อ, ย, าอายานความอย่างรู้ในอาสวะยานความอย่างรู้ในเหตุเกิดอาสวะความอย่างรู้ในความดับอาสวะยานความอย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ลูกพทธเจ้าได้จะแสดงไว้เองดังนี้เพราะฉะนั้นท่านพระสาริบุตรจึงได้นำอาสวะมาแสดงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการประภูมิประภาอารหันะสมมาสัพทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์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 ตามเทราธิบายของท่านพระสาริบุตรแก่ภิกษุทั้งหลายมาโดยลําดับจนถึงหมวดอาสวะ และก็ได้แสดงข้ออาสวะกับข้ออนุสัยมาแล้วจะได้แสดงเพิ่มเติมถึง ความเกิดขึ้นของอาสวะอนุัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้จากพระสูตร เพราะว่าอาสวะอนุสัยนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่หมักหมมดองจิตสันดาน ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลายเราทั้งหลายได้ทราบก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระองค์ ได้เจาะแทงลงไปถึงอาสวะอนุใัและถอนกำจัดอาสวะอนุัยในหมดสิ้น โดยพระปัญญาพร้อมทางมรรคข้ออื่นๆประกอบกันเป็นมรรคสามคีกําจัดอาสวะอนุยัย ให้หมดสิ้นไปจิตของพระองค์จึงบรรลุถึงวิสังขารคือนิพพานสิ้นปรุงแต่ง ด้วยประการทั้งปวงสิน้นมาอันเป็นสมุทยัยแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง ีนพระองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าประพัดสอนคือผุดพองแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่จอนเข้ามา แต่ว่าเมื่อบุคคลได้สะดับธรรมะที่ทรงสั่งสอนทมจิตภาวนาคืออดรมจิตตามที่ทรงสั่งสอนด้วยมักมีองแปด ย่อลงก็ศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะวิมุดหลุดพ้นจากกิเลตเครื่องสมองที่จอรเข้ามาเป็นจิตที่ ประกอบด้วิชาคือความรู้อันตรงกันข้ามกับอาวิชาวิมุตต์คือความหลุดพ้นอันตรงกันข้ามกับอุ้ป่าทานคือความยึดถือ พิจารณาดูตามกระแทกกระแสปพระพุทธภาสิทธิ์ที่ตัดแสดงไว้นี้ก็ยอมจะเห็นได้ว่าจิตนี้แม้เป็นธรรมชาติประพัตสอนคือผุดพอง แต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทมกิจภาวนาอบรมจิตจิตนี้ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง แม้จิตนี้จะเป็นธาตุรู้แต่ก็ยังเป็นรูปแต่ก็ยังเป็นรูปผิดรู้หลงจึงยังมีอุปาทานคือความยึดถือและ เมื่ออาจตนะภายนอกอาจตนะภายในประจุบกันซึ่งเป็นไปตามธรรมดา ของกายและใจอันนี้หรือของนามมารูปอันนี้ก็ยมเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางจักสุคือเห็นรูป โสตวิญญาณความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงคานะวิญญาณทราบกลิ่นทางจมูกคิวหาวิญญาณทราบรสทางลิ้นกายวิญญาณทราบสิ่งถูกต้องทางกายมโนโวิญญาณทราบเรื่องราว ที่รู้ที่คิดทางมโ น, โนคือใจและเมื่ออยายจตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจอยายจตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระคือสิ่งถูกต้อง และธรรมะคือเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางใจการนังราวทั้งสามอย่างนี้มาประชุมกันเข้าก็เป็นสัมผัสหรือผัสสะ ค, คือความประทบและเพราะสัมผัส คือความกระทบก็หมายถึงความกระทบจิตนี้เองจึงเกิดเวทนาคือความรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจดังที่ทุกๆุกคน ได้มีเวทนากันอยู่เป็นประจำเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างทางกายทางใจและเมื่อได้พบกับสุขเวทสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุข ก็ย่อมจะมีความติดใจยินดีในสุขเมื่อเป็นดังนี้ราคะคือความติดใจยินดีในสุขนี้ก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิต เรียกว่าราคานุัยอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะความติดใจ ย, ยินดีแม้ว่าสุขเวทนานั่นจะหายไปแล้วแต่ว่าราคานุัยก็ยัยงตกตะกอน นอนเรื่องอยู่ในจิตเมื่อพบกับทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างแรงก็ตี อ, อกชกหัว ต่างๆปฏิฆะคือความประทบกระทั่งนั่นก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นปฏิฆานุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแม้ว่าทุกขเวทานานั้นจะสงบไปแล้วแต่ปฏิขาหนูสสยก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเมื่อพบกเวทานาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกขไม่สุข ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดขึ้นความดับไปความน่าพอใจความไม่น่าพอใจนี่แหละ การที่จะนําจิตเล่นออกไปได้นี้ก็เป็นอวิชชาก็นอนจมนอนเนื่องอยู่ในจิต เป็นอวิชชานนสัยที่เล็ดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคืออวิชชาคือตัวที่ไม่รู้แม้ว่าเวทนาที่เป็นกลางๆงนั้นจะสงบไปแล้วแต่อวิชชานุสัยนี่ก็ยัง นอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นตะกรอนอยู่ในจิตซึ่งโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามีอนุสัยเหล่านี้อยู่ในจิตยิ่งปฏิบัติธรรมะ ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ยังไม่เป็นมัด ก, กำจัดกิเลสได้อนุสัยเหล่านี้ก็ยิ่งไม่ปรากฏแ้วก็ยังมีอยู่ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตนอนจมอยู่ในจิตเป็นตะกอนอยู่ในจิต ดังที่เปรียบไปแล้วว่าเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุม่มไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุมก็ดูใสสะอาดแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่เป็นน้ำบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุม่ม นี่คืออนุสัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงความบังเกิดขึ้นของอนุสัยดังนี้ว่าอาศัยเวทนานี้เอง หรือว่ากล่าวให้หมดก็คือว่าอาศัยอาชจตนะภายนอกภายในของบุคคลที่ประจบกันเกิดวิญญาณและทั้งสามนี้ก็มาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดราคะบาังคือติดใจยินดีในสุข ปฏิฆะบั้งคือว่าหมุดหงิดในทุกนวิชาบัางคือไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขราคะปฏิฆะอาวิชชาเหล่านี้ก็ตกเป็นตะกรนอนจมอยู่ในจิต เป็นราคานุสัยบ้างปฏิคานุสัยบ้างอวิชานุสัยบ้างดังกล่าวและเมื่อได้ประสบเวทนากันอยู่เป็นประจำแล้วก็มีความติดใจยินดีในสุขกันอยู่เป็นประจำหงุดหงิดขัดเคืองในทุกข์อยู่เป็นประจำไม่รู้อยู่ในเวทนาที่เป็นกลางกลางอยู่เป็นประจำ ราคะปฏิฆะอวิชชาที่บังเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทุกเวัทุกวันทุกเวลาเหล่านี้ก็อ น, นอนจมลงไปในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอนุสัยเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอจแะแปลวัตรกรคนตุ่มนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อไม่พุงขึ้นมาน้ำในตุ่มกาดูยังใส ส่วนอาสวะนั้นก็มีตรัสแสดงไว้ในข้อที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติในอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลินกายและมันะคือใจ ดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่าเห็นรูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูสูดกลิ่นอะไรทางจมูกริมรสอะไรทางลิ้นถูกต้อง ผลสะพคือสิ่งถูกต้องอะไรทางกายคิดหรือรู้เรื่องอะไรทางมโนคือใจก็ไม่ยึดถือโดยนิมิตคือไม่ยึดถือทั้งหมด ว่างามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะคือเลือกแต่บางส่วนว่างามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจ อภิชาคือความยินดีโทมนัสคือความยินไรบาปอากุศละธรรมทั้งหลายยอมไหล เข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ไม่ได้สํารวมไม่ได้รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายแลยมันะคือใจเหล่านี้ เพราะตาหูจมูกลิ้นกายและมันะคือใจเหล่านี้อันใดเป็นเหตุยอมปฏิบัติรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมันะคือใจเหล่านี้ไว้ มิให้ยึดถือดังนั้นมิให้ความยินดีความยินไา่บาปอกุศลธรรมลังหลายไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้น ปฏิบัติดังนี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ตามรัฐภาสิทนี้ตัดเรื่องอินทรียสังวรและก็ายอมส่งความถึงว่าหากไม่มีอินทรียสังวร ก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินร้ายย่อมจะมีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิต